ปรากฏว่าเมื่อพูดจำานานงานนั้นๆมองเห็นความซับซ้อนและลักษณะเฉพาะของงานนี้โดยเฉพาะงานทำดนชนทีความคิดแล้วก็บอกเลิกไม่รับงานในที่สุดเรื่องก็เงียบเหมือนว่าคุณสุรเดชคงจำเป็นต้องเลิกรากับงานนี้ที่จริงคุณสุรเดชไม่ได้เลิกแต่หลังจากเรื่องเงียบงันไปช่วงหนึ่งโดยไม่คาดหมายมาทราบอีกทีว่า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 เข้านอนในโรงพยาบาลอีกแล้วเปลี่ยริบรีลงริบรีลงเป็นไปได้ว่าถ้าตรวจจัดข้อมูลช้าอีกนิดเดียวก็อาจจะไม่ทันเสร็จและถึงบัดนี้การพิมพ์พุทธธรรมก็จะยังเป็นอนาคตรวมแล้วก็ต้องอนุโมทนาคุณสุรเดชและคุณหมอเนรค์ผ่านคุณนริตที่ได้ทําการอันเป็นการบีบบังคับด้วยกุศลเจตนาให้ต้องทํางานนี้จนเสร็จ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 หนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายนี้เมื่อเทียบปริมาณเนื้อหาหนังสือตมามอัตราความจุของพุทธธรรมฉบับปรับป ร, รุงและขยายความเล่มเดิมปรากฏว่ามีปริมาณเนื้อหามากกว่าเก่าประมาณ300ถึง400หน้าจึงต้องตอบคําถามว่าเธอไม่ได้เขียนขยายเพิ่มเติมแล้วเนื้อความที่มากขึ้นไม่น้อยนี้คืออะไรมาจากไหนอย่างไรเธอตอบสั้นๆก็บอกว่า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 บทที่แยกออกมาแล้วได้เขียนส่วนแทรกและเรื่องแถมเข้าไปมากเป็นหัวข้อใหญ่ๆทีเดียวมีตัวอย่างคือบทที่หเรื่องกรรมซึ่งแยกออกพิมพ์เป็นเล่มย่อยเมื่อพุทธศักราช 2,531 เมื่อได้ข้อมูลพุทธร 31, ทธรรมเล่มเก่ามาตรวจจัดเพื่อตีพิมพ์ใหม่คราวนี้ก็ทำให้ได้โอกาสนำเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มย่อยเฉพาะบทเหล่านี้ใส่รวมเข้าด้วย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 จึงไม่มีจุดกําหนดหรือบังคับให้เขียนพูดอยู่สักสิบปีเมื่อไปวุ่นกับงานอื่นตอนหลังๆก็เลยจางไปจนบัดนี้ไม่แน่ใจว่านึกออกได้ครบหรือไม่แต่ที่ระลึกแม่นอยู่บทที่คิดเวลานั้นว่าจะเพิ่มขยายในพุทธธรรมคือ 1. เรื่องโยนิโสมนสิการ 2. เรื่องการศึกษา 3. เรื่องความสุข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 มหาวิทยาลัยเก ษ, ษ, ษ, ษกเตรศาสตร์ดรอาภาจันทราสกุลก็นำให้นิสิต ท, ทำงานวิจัยเรื่องโยนิโซมนาศิการมาหลายรุ่นจนกระทั่งท่านกเกษียณอายุราชการมีความสุขกับหาความสุขคือทางแยกใหญ่สู่การดับทุกข์กับการก่อปัญหา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 ก็มองดูรู้ให้ครบทุกแง่ด้านเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีและการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อทุกต่อสุขนั้นให้ตรงตามหลักพุทธที่ว่าทุกขังปรินเยย่งังทุกนั้นพึงปรินยาคือรู้เท่าทันทั่วรอบอย่างที่พูดให้ง่ายว่าทุกสาหรับเห็นแต่สุขสาหรับเป็นหมายความว่าทุกนั้น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 มองเห็นสุขทุกขรู้เข้าใจความต้องการของคนทุกตรงตามที่มันเป็นจึงจะดับทุกข์แก้ปัญหานำผู้อื่นให้เข้าถึงความสุขได้ถูกต้องถูกทางแท้จริงดังที่เมตาการุนอย่างแท้มากับปัญญาที่แจ่มจ้าใสสะอาดโดยการศึกษา คนพัฒนาเป็นพาวิตะหรือพาวิศึกษาครบไตรสิกขาจ่าตุภาวิศก็มาครบเต็มคนทีนี้ก็มาถึงเรื่องการศึกษาพูดตามคำพระนี่ก็คือสิกขาที่มาเียนชุดไตรสิกขานั่นเองเป็นเรื่องใหญ่มากคือเป็นทั้งหมดของพระพุทธศาสนาในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้คนมีวิถีชีวิตที่เป็นมัคคือเราต้องการให้คนดาเนินชีวิตในวิถีของอริยชนที่เรียกว่าอริยมัคคาเขาก็ต้องมีการศึกษาที่ฝึกหัดพัฒนาตัวเขาให้รู้จักดาเนินชีวิตหรือมีวิถีชีวิตได้อย่างนั้นสิ่งที่ต้องการคือวิถีชีวิตอย่างอริยชนที่เรียกว่าอริยมัคเมื่อพูดเป็นเรื่องราวในระบบ เรื่องการศึกษาจนถึงตรายสิกขาจึงอยู่ในตอนของมัคและในพุทธธรรมเล่มใหญ่ของเก่านั้นก็ได้เขียนเรื่องการศึกษาสิกขาตรายสิกขานี้ไว้เป็นหัวข้อย่อยหนึ่งในบทนำของมัชชิมาปฏิปทาคือบทนำของมัคนั่นเองแต่ดังที่ว่าแล้วตรายสิกขาเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าไม่มีสิกขาคนก็ไม่เข้ามาาัคาไม่รู้จักเดินไปในมัคา เมื่อพุทธธรรมพิมพ์ออกมาในปีพุทธศักราชสองพแล้วก็จึงคิดว่าจะเขียนเรื่องการศึกษาแห่งตรายศึกษานี้ไว้เป็นบทใหญ่อีกบทหนึ่งแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นได้ว่าโอกาสจะไม่มีอย่างไรก็ดีเรื่องการศึกษานี้ไม่ต้องรอไว้ต่อเมื่อมีโอกาสเขียนใส่เพิ่มในพุทธธรรมเพราะเป็นงานของชีวิตงานของสังคม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 ใช้เป็นคุณศัพท์ถ้าเป็นภาวะนามก็เป็นภาวนาน่าแปลกใจว่าหลักภาวิตนี้ไม่ได้ยินพูดหรือเขียนถึงกันเลยทำให้ต้องค้นหาศึกษาให้ชัดขึ้นตัวเองก็แปลกใจว่าความคิดเรื่องนี้ของปราตวันตกมาสอดคล้องหรือใกล้เคียงดูเพลินเหมือน ก, นกันกับหลักในพระพุทธศาสนา พาวิสีถ้าแปลโดยใช้สำนวนเดียวกับพัฒนาการสีด้านคือ 1. ภพาวิสกายพัฒนาแล้วทางกาย 2. ภพาวิศี์พัฒนาแล้วทางศีลหรือทางสังคมนั่นเอง 3. ภพาวิจิตพัฒนาแล้วทางจิตใจ 4. ภพาวิปัญญาพัฒนาแล้วทางปัญญา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 ก่อนจะพูดถึงความแตกต่างก็ยกตัวอย่างพุทธพจนิตรัสเรื่องภาวิศีมาให้ดูสักแห่งหนึ่งจากอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตอนาคตภัย5ประการเป็นไนกล่าวคือในการอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายผู้มีใช่ภาวิตกายมิได้พัฒนากายมีใช่ภาวิศีลมิได้พัฒนาศีล มิใช่พาวิจิตมิได้พัฒนาจิตมิใช่ภาวิตปัญญามิได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญาก็จักเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนำผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอาทิศีลในอาติจิตคือสมาธิ ในอาทิย์ปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นก็จะเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตกายไม่ใช่ภาวิทยศีลไม่ใช่พาวิทยจิตไม่ใช่ภาวิตย์ปัญญาเหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นทั้งที่ตนไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลจิตและปัญญ า, <ล>าก็จะเป็นอุปชาให้อุปสมบทคนอื่นๆและจักไม่สามารถแนะนําเหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้น ในอาธิศีลในอาธิจิตในอาธิปัญญาแม้เหล่าคนที่ได้รับอุปสมบทนั้นก็จะเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิศีลไม่ใช่ภาวิจิตไม่ใช่ภาวิาวปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนนี้แลเพราะทำเลเรือนวินัยก็เลเรือนเพราะวินัยเลเลือนทำก็เลเลือน ภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้นอันเธอทั้งหลายพึงตระหนักรู้ไว้ครั้นรู้ตระหนักแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันภัยนั้นเสียพุทธพจนิตรัสภาวิสีข้างบนนี้ได้แสดงไว้ในพุทธธรรมใหญ่เล่มเก่าเมื่อ30สิปีก่อนนั้น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 คนที่มีความสัมพันธ์ดีงามเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนั้นเรียกว่าภาวิตกายส่วนการปฏิบัติในการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นก็มีคำเรียกคือกายภาวนารมณมีคำนี้ดีหนักหนา พอรมณีมากระบวนการพัฒนาก็ราบรื่นและยั่งยืนได้การปฏิบัติที่เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาทางกายภาพนี้ซึ่งท่านเน้นอยู่เสมอได้แก่การรู้จักใช้อินทรีย์หรือที่ภาษารุ่นอัตถกถาบางทีเรียกว่าภัษาทวานคือทางรับรู้เท่ากับ อัศยตนะคำพระว่าอินรียะสังวรแปลตามแบบว่าการสำรวมอินรีแต่ความหมายตามประเพณีนี้ชวนให้มองแคบลงหรือแค่เชิงรูปแบบกลายเป็นเอาแค่กิริยามารยาททางกายอินรียะสังวร น, นี้จะเรียกว่าการรู้จักปกครองอินรีก็ได้ ถ้าปกครองอินทรีย์ได้ก็เริ่มปกครองตัวเองได้คือการดูเห็นการฟังได้ยินดมกลิ่นชิมลิ้มรสจับต้องสัมผัสโดยมีสติที่ไม่ปล่อยให้อกุศลตั้งแต่ความชอบหรือชังความติดหลงพูด ร, รวมว่าโลภโทสะโมหะเข้ามาครอบงำแต่รับรู้ดูฟังเป็นต้นโดยรู้ตามความเป็นจริง รู้เข้าใจตามที่มันเป็นให้ได้ปัญญาเกิดคุณธรรมจับคุณค่าเอาประโยชน์ได้อย่างน้อยให้ได้ความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่เอยนเอียงหรือบิดเบือนด้วยความรู้สึกที่ชอบหรือชังเป็นต้นนั้นการใช้อินทรีย์เช่นตาดูหูฟังนั้นนอกจากเพื่อการรับรู้หรือให้ได้ความรู้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือเพื่อการเสบบริโภค จะเห็นชัดว่าการเสริโภคนี้เป็นเป้าหมายสำคัญมากในการใช้อินทรีย์ของมนุษย์และปัญหาของมนุษย์ทั้งปัญหาของชีวิตและปัญหาของสังคมมากมายก็ตั้งต้นที่นี่พูดอย่างรวบรัดว่าถ้าคนไม่รู้จักใช้อินทรีย์ในการเสริโภคแทนที่จะเป็นการเสริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตก็จะกลายเป็นการเสริโภค เพื่อการบำเรออินทรีย์พอการบำเรออินทรีย์เข้ามาครอบงำคนได้ความพอดีก็เลือนหายความสมดุลก็ไม่เห็นปัญหาก็ประดังมาดังที่ว่าแล้วทั้งปัญหาชีวิตเช่นโรคอ้วนโรคขาดอาหารเก็บเงินไม่อยู่ออมเงินไม่ได้ปัญหาสังคมเช่นการทะเลาะวิวาทขัดแยง้งแย่งชิงเบียดเดียนจุจริต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นขยะและมละภาวะต่างๆด้วยเหตุนี้การรู้จักใช้อินทรีย์คืออินทรียสังวรและการเสพแต่พอดีบริโภคด้วยปัญญาคือปัจจัยปฏิเสวนาจึงเป็นศีลหมวดสำคัญที่ใช้ในการฝึกคนให้มีพัฒนาการในความสัมพันธ์ทางกายภาพ เมื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางกายภาพยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกื้อหนุนการพัฒนาด้านอื่นด้วยท่านก็ให้พัฒนาอินทรีย์และการพัฒนาอินทรีย์นั้นมีหลายขั้นหลายระดับขอพูดเชิงสรุปอย่างรวบรัดว่าเมื่อรับรู้ดูเห็นฟังได้ยินเป็นต้นจิตใจไม่ถูกจูงไม่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกชอบใจหรือไม่ชอบใจ คงที่ดํารงอยู่ในภาวะที่เป็นตัวของมันเองถ้ามีสิ่งรับรู้ที่ล่อเร้ายั่วยุก็มีปัญญารู้เท่าทันอย่างถึงสภาวะตัดความรู้สึกที่เป็นโทษทิ้งไปตลอดจนถึงขั้นเป็นนายของอินทรีย์อย่างที่ว่าจะมองสิ่งที่คนเกลียดชังขัดตาให้สบายตาโปร่งใจก็ได้มองสิ่งที่คนทั้งหลายติดชอบ ให้เห็นเป็นหน้าสลัดละก็ได้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนั้นกว้างใหญ่ที่สุดแพร่กลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นฐานเป็นที่รองรับโอบล้อมไว้หมดทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมจิตใจและเป็นที่อาศัยของปัญญาแม้แต่ภิกษุหรือผู้สแสวงวิเวกที่เปลี่ตัวออกไปอยู่ในป่าเขาหรือที่ห่างไกลหมู่ชน แทบไม่พบกับใครเกิดพ้นจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ไม่พ้นไปแต่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี้ถ้าสภาพแวดล้อมทางกายภาพดีกเกื้อกูลต่อการพัฒนาทางสังคมพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาถ้าสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอือ้อก็ขืนหรือขัดขวางการพัฒนาทางสังคมจิตใจและปัญญานั้น ในระบบการพัฒนาคนคือภาวนานั้นการพัฒนาสีด้านเป็นพัฒนาการสีขั้นด้วยและทั้งสี่นั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนกันสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีเอื้อเกื้อหนุนการพัฒนาทางสังคมการพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญาดังว่าแล้ว ที่นี้ถ้าสภาพแวดล้อมทางสังคมดีคือเป็นหมู่คนหรือชุมชนของคนที่ได้พัฒนาดีนอกจากเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาต่อขึ้นไปแล้วก็ย้อนกลับออกมาย้อนอย่างไรคือเมื่อคนมีการศึกษาพัฒนาดีก็จะรักจะชื่นชมเห็นคุณค่าตลอดจนมีความสุขกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่รื่นรม เขาจะมีการกระทําทางกายและลักษณะนิสัยที่ปราณีตเกือ้อกูลมากขึ้นตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นธรรมชาติที่รื่นรมนั้นต่อขึ้นไปจิตใจที่พัฒนาดีแล้วก็มีความสุขกับสภาพแวดล้อมที่ดีรู้สึกทราบซึ้งเกือ้อกูลและฝ่ายที่จะช่วยส่งเสริมความดีงามและความดารงอยู่ด้วยดี มีความมั่นคงของสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งทางสังคมและทางกายภาพส่วนปัญญานั้นแน่นอนว่าเมื่อพัฒนามากขึ้นก็มองเห็นระบบความสัมพันธ์ที่อิงอาศัยส่ยสงผลแก่กันของสิ่งทั้งหลายรู้เข้าใจคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่ดีงามเกื้อกูลแล้วก็บอกใจให้สนใจใส่ใจที่จะดูแลรักษา ตลอดจนบอกด้วยว่าควรจะทำอะไรอย่างไรจึงจะดูแลรักษาให้ระบบการอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความเกื้อกูล น, นั้นสามารถดํารงอยู่ด้วยดีมีความมั่นคงยั่งยืนแล้วทำได้สาเร็จสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีมีความสําคัญทั้งในตัวมันเองและต่อระบบการพัฒนาคนสีด้านสีขั้นทั้งหมดดังกล่าวมาดังนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญทั้งแก่สภาพแวดลอ้อมทางกายภาพที่ดีและแก่การพัฒนาคนด้านความสัมพันธ์ทางกายภาพนั้นเป็นอย่างมากจึงกระทั่งแม้แต่ชาวพุทธเองก็เลยมองข้ามไปไม่赖เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อจะส่งอนุ ญ, ญาตให้พระมีที่อยู่คือมีวัดก็ส่งอนุญาตอารามซึ่งแปลว่าสวน หรือที่มายินดีและอารามสำคัญก็มาจากอุทยานทั้งนั้นไม่ว่าเวลูวันหรือเชตวันคำสำคัญที่ใช้อยู่เสมอสำหรับบอกสภาพของสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีคือคำว่ารมณมีคือรื่นรมหรือรามนาันหรือในคถาต้องการคำสั้น ก็อาจใช้รัมมะซึ่งเป็นไวยพ์มีความหมายอย่างเดียวกันที่โรมานีนั้นพูดด้วยภาษาง่ายๆก็คือที่สะอาดปลอดภัยมีธรรมชาติงามรมรืม่นน่าชื่นชมเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจอย่างที่ว่าท้องฟ้าแจ่มใสไร้หมอกควันสายลมสดชื่นมีแม่น้ำหรือแหล่งน้ำที่ใสสะอาดปราดมลพิษเจือปน บนพื้นแผ่นดินไม่ขาดไม่ไร้ยต้นไม้และพืชพันธ์สถานที่โดยรอบเรียบร้อยสบายตาสบายใจไม่พลุกพล่านจอแจไม่อึกระทึกเอ็ดอึงคนในถิ่นในที่ก็อยู่ร่วมกันด้วยดีมีน้ำใจยิ้มยามจําใสร่วมมือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดูง่ายๆจากพระพุทธเจาริยาพระพุทธเจ้า ตั้งแต่เสด็จออกผนวดจนเปริญนิพานทรงแสดงให้เห็นโดยตลอดถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่เป็นโรมณีขอนำมาเล่าซ้ำให้ฟังกันบ่อยๆว่าครั้งยังเป็นโพธิสัตว์จะทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทรงหาที่เหมาะเมื่อได้พบมีพระดำรัสตรัสเล่าเองยกมาตามคำบาลีว่าตั ท, ทธัตถสัง ร, รมณียังภูมิภาคัง ณที่นั้นเราได้พบภูมิภาคที่รื่นรมคือโรมมนีและส่งบัญญายว่าภาคพื้นภูมิสถานทิ่ น, นี้เป็นที่รื่นรมจริงหนอบาหลีว่า ร, รัมนีโยวะตะมีไพรสนรวมรื่นน่าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสเย็นชื่นใจชายฝั่งท่าน้ำก็ราเปียบ ทั้งโครจราคามก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนาที่จะบาเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรภิกษุทั้งหลายเรานั่นและได้นั่งลงแล้วนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี้ลหละเหมาะที่จะบาเพ็ญเพียรเมื่อใกล้จะปรินิพานในเหตุการณ์ตอนจะทรงปลงพระชนมายุสังขาร ได้ตรัสทวนความเก่ากับพระอ า, านนท์ก็ตรัสถึงถิ่นสถานที่เป็นโรมันีที่สดชื่นเรื่นรมจำนวนมากนับได้ส6หแห่งเช่นว่านครราชค ร, รื่นรมขขาวคิจกูดโคตามานิโครธเอวทิ้งโจนทำสัตบันคูหาข้างภูเขาวเวภาวราบันพศกาลสิลาข้างภูเขาอีสีคิลิเงือผาสับประสนาทิกาศีตะวัน ตะโปทารามเวลุวันกัลันทกะวิวาปัสถานชีวกรรมพวันมัตกุจิมรุขัทยวันก็รื่นรมภิกษุรูปหนึ่งเข้าป่ามุ่งหน้าปฏิบัติกิจทางจิตตปัญญากล่าวคถาตอนหนึ่งว่าเราผู้เดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนในป่ามหาวันอันรื่นรมเมื่อไรนะ จะได้อยู่อย่างผู้ทำกิจเสร็จซึ่งหมดสิ้นอาสวะแล้วแต่เมื่อพัฒนาจบเป็นภาวิทครบสีด้านแล้วตัวเองกลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดสภาพโรมณีไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สร้างบรรยากาศโรมณีทำให้ที่นั้นเป็นสถานที่เรื่อนรมตัวท่านผู้นั้นเองก็มองเห็นความเรื่อนรม คนอื่นก็มองเห็นท่านผู้นั้นเป็นสภาพเรื่นรมดังคถาที่อ้างบ่อยว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มหรือที่ดอนท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั้นไซเป็นภูมิสถานอันรเรนรมถึงแม้ยังเป็นภิกษุบวชใหม่เข้าไปอยู่ในปา่าเพิ่งจะเริ่มฝึกหัดยังไม่มีความรู้เข้าใจ แม้กระทั่งมีได้เห็นคนณค่าของภาวะโรมนีแต่วินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ซึ่งภิกษุนั้นปฏิบัติก็ทําวัดป่านั้นให้เป็นโรมนีเป็นอันว่าในการพัฒนาด้านแรกทางกายภาพนี้ทั้งไปดูไปหาไปอยู่ในที่โรมนีทําที่นั้นให้เป็นโรมนีและทําความเป็นโรมนี ให้เกิดมีในที่ที่ตนอยู่ตนไปว่าโดยสรุปการปฏิบัติในการพัฒนาทางกายภาพเกี่ยวกับโรมนียภาวะพึงปฏิบัติเท่าที่จะทำได้ดังนี้ 1. มีความสุขกับสภาพที่เป็นโรมนีและหาทิ่นอยู่อาศัยปฏิบัติที่เป็นโรมนี 2. ถ้าต้องอยู่ในที่ไม่เป็นโรมณีพึงฝึกจิตทำใจสร้างความรู้สึกให้เป็นโรมณี 3. ทํทำแล้วร่วมทำถิ่นที่นั้นให้เป็นโรมณี 4. ีพัฒนาตนให้เป็นภาวิทยิ่งขึ้นไปจนความมีอยู่หรือปรากฏตัวของตน เป็นภาวะโรแมนีที่เกื้อกูลแพร่กระจายขยายไปทั่วนี่คือการพัฒนาทางกายภาพที่เรียกว่ากายภาวนาซึ่งทําให้คนเป็นภาวิศกายบุคคลภาวิศกายเป็นผู้ที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีแล้ว mm. ก็จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เรามองเห็นคุณค่าความดีงามของสภาพที่เป็นโรมันีมีความพึงพอใจได้ความสุขเมื่อได้เห็นได้อยู่กับสภาพโรมันีเมื่อสภาพจิตใจไฟโรมันีของคนสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นโรมันีการอนุรักษ์ธรรมชาติและบรรดาสิ่งแวดล้อมก็จึงเป็นธรรมดาเป็นไปเองอย่างพอดีไม่ต้องคอยกากับไม่ต้องบังคับ หรือแม้แต่จะต้องรู้สึกฝืนพร้องกันนั้นภาวิตชนรู้จักประมาณในการที่จะบริโภคแต่พอดีด้วยปัญญาที่เข้าใจความมุ่งหมายเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตไม่กินเสบเพียงเพื่อบำเร อ, อินซีจึงผ่อนเบาขยะหรือมลพิษที่จะมาทำให้เสียภาวะโรมนีทำให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่บูรณาการอยู่ในตัวเองของการดําเนินชีวิตที่ดีนี่คือการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักพัฒนาการสีด้านในพระพุทธศาสนาถ้าการพัฒนาขั้นนี้ดําเนินไปได้ก็นับว่ามีฐานดีที่จะให้มั่นใจว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาการอีกสามด้านจะก้าวหน้าต่อไป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 ถ้าระบบการศึกษาถูกต้องระบบเศรษฐกิจที่ดีก็ต้องมาแต่เราเห็นองค์รวมอย่างนี้มีจริงในสังคมมนุษย์บ้างหรือยังนี่พูดพร้อยเห็นตัวอย่างแห่งอริยวินยัยทางด้านระบบเศรษฐกิจที่ธรรมะออกผลมาให้เห็นเป็นจริงในระบบจัดตั้งแห่งวินัยของสังคมมนุษย์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 ที่เราเรียกว่ารัฐ ธ, ธรรมนูญประดากฎหมายเริ่มตั้งแต่รัฐ ธ, ธรรมนูญนี่แหละจัดตั้งวางรูประบบประชาธิปไตยให้อยู่ตัวเป็นแบบแผนไว้ปัญญารู้ธรรมเจตนาเป็นธรรมมีธรรมเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ประชาชนได้อย่างนี้ประชาธิที่ประยจะหนีไปไหนสำหรับการปกครองอย่างประชาธิที่ประยนี้ถ้าจะพูดกับชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆก็บอกว่าระบบนี้ตั้งไว้เพื่อกันไม่ให้คนทําอะไรตามอำเภอใจเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจทําอะไรอะไร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 ถ้าคนร่างวางกติกาสติปัญญาขาดพร่องไปก็อาจได้ผลตรงข้ามทาให้เสียประโยชน์ที่ควรได้หรือแม้แต่พาเฉชัยไปผิดทางเพราะฉะนั้นก็จึงต้องได้บุคคลแต่ล้วนที่ดีมีปัญญามาเป็นผู้ตั้งวางและดูแลรักษาระบบโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ <t> ที <Overall> <t> ่ว่าเป็นกฎหมายแม่บทนั้นก็คือกฎกติกาสูงสุด ที่จัดตั้งระบบ ก, กลางรวมของรัฐหรือของการปกครองประเทศทั้งหมดเป็นที่ตั้งทั้งของสมองและหัวใจของการปกครองจะต้องจับแนวที่จุดหมายของรัฐหรือของการปกครองประเทศกลั่นสาร่ารวมยอดข้อบัญญัติกติกาที่จะมาเป็นหลักประกันให้การปกครองประเทศทั้งหมดบรรลุจุดหมายของการมีรัฐนั้นที่จะให้ประชาชนอยู่กันดีมีสุขเป็นธรรมแก่กัน อย่างที่พูดตามคำประเพณีว่าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามตามเหตุผลที่กล่าวมาข้อบัญญัติน้อยใหญ่ในรัฐธรรมนูนไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดจึงส่องไปถึงจุดหมายของรัฐซึ่งผู้ตรหนกรู้เข้าใจชัดจะสามารถมองเห็นทะลุทั่วตลอดระบบความสัมพันธ์ที่องค์ประกอบและเหตุปัจจัยโยงใยถึงกัน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 องคอ์กรทั้งหลายดําเนินกิจการในประเทศก็ตามสัมพันธ์กับนอกประเทศก็ตามจะมีผลทางหนุนหรือทางงวงอย่างไรเหมือนแพทย์มองตับที่ชํารุดเห็นไปถึงตาที่เหลืองมองที่ไตยโยงไปได้ถึงเหงือกไกลาตามขุมขนตลอดจนของนอกกายที่นําเข้ามาในตัวมองย้อนขึ้นย้อนลงเห็นสว่างทั่วถึงกันอย่างนี้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 ลึกลงไปก็คือธรรมดาที่เป็นความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติซึ่งเป็นฐานให้มนุษย์มาตั้งวางกฎของมนุษย์ขึ้นบ้างไปๆไปมาๆธรรมาก็มีความหมายเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์มีทั้งกฎธรรมชาติเป็น n น t u r a l l ล w แล้วก็มีกฎมนุษย์หรือกฎหมายเป็นฮิวแม l ล w ถ้าผู้แทนมีปัญญารู้ธรรม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 มีประชาชนเป็นธรรมาธิปไตยคือหลักประกานที่มั่นใจที่สุดของระบบประชาธิปไตยถ้าพัฒนาคนให้เป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้ระบบประชาธิปไตยก็จำเป็นต้องล้มละลายหนีไม่พ้นอย่างที่ว่าข้างตน้นไม่ว่าในการปกครองระบบใดก็ตามจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นอภิชนาธิปไตย เป็นคณะทิปตยหรืออะไรก็ตามถ้าผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดหรือผู้ปกครองเป็นธรรมอาทิปไตยก็เป็นการปกครองที่ดีที่สุดของระบบการปกครองนั้นในระบบประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันการปกครองระบบประชาธิปไตยที่ไหนถ้าประชาชนเป็นธรรมอาทิปไตยนั่นก็เป็นประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในบรรดาประชาธิปไต่ทั้งหลาย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 พามนุษย์ให้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงชีวิตเข้าถึงโลกเข้าถึงสากลจักรวาลและโยงไปถึงจุดหมายโดยเป็นแกนขับเคลื่อนส่องสว่างนำทางนำวิถีบอกวิธีทุกอย่างดังที่มีปราดฝรังพูดไว้ตามแนวคิดของเขาว่าสามารถรู้ลวงเอาความลับของธรรมชาติออกมาแล้วใช้ความรู้นั้น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 ตั้งแต่แต่ละคนปกครองตัวเองเป็นซึ่งรวมทั้งจัดการสภาพจิตของตนได้ไม่มีหรือไม่ตกอยู่ใต้อานาจของความรู้สึกที่จะปรุงแต่งสภาพจิตชนิดที่จะทำให้การใช้ปัญญารู้และคิดบิดเบือนเอ็นเอียงไม่สะอาดไม่ตรงผู้เจาะจุดตรงนี้ว่าสังคมประชาธิปไตยจะมั่นคงยารงอยู่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่า จะเอาดีมีคุณภาพสามารถบรรลุจุดหมายถ้าคนจำนวนมากวุ่นวายเหิมใจอยู่กับความคิดเห็นที่เป็นไปภายใต้การครอบงำของความรู้สึกเอาความรู้สึกมาสนองความรู้สึกและเอาความรู้สึกมานำความคิดประชาธิปไตยจะดีประชาชนต้องมีคุณภาพที่พัฒนาถึงขั้นจิ ต, ตปัญญาที่จะให้พาดกันเดินหน้าไปได้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 รอมกับที่ลึกซ้อนลงไปก็ต้องการเน้นความสำคัญของการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่จะมาสางอริยวินัยนั้นให้เป็นจริงขึ้นมาได้อีกทีจบเสียงานหนังสือมองหนังสือพุทธธรรมถามหาอนาคตสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโต